วันนี้ก็เป็นวันมหาหมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายแล้วตั้งแต่จังหวัดสกลนครโดยมีท่านอาจารย์แดนเป็นหัวหน้าพาพี่น้องทั้งหลายมารวมเข้าที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งรวมมาจากกรุงเทพจำนวนมากมายและหลายจังหวัดที่สมทบกันเข้ามาเพื่อ มหากุสลนผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่ชาติไทยของเราจากการบำเพ็ญเพื่ออุ้มชาติของตนที่จะล่วงจมให้ฟื้นฟูขึ้นมาสู่ความสง่างามด้วยอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีของเราพุทธมรคม ก, กะซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถถาคาตได้พร้อมใจกันบดีจาก มาเป็นจำนวนมาก <c oughs> นับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งบัดนี้ดอนเงินเอาทองคำก็ได้เจ็ดเจ็ดตันกว่าแล้วสำหรับดอลล่าดได้แปดล้านกว่าเวลานี้นี่ก็ออกมาจากกำลังแห่งความรักชาติความเสียสละด้วยความท้อมเพียง ของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยรวมแล้วมาเป็นตองคำก้อนใหญ่โตถึงขนาดเจ็ดตันกว่าเวลานี้เงี้ดอลลาร์ก็ได้แปดล้านกว่าแล้ว <c oughs> นี่เป็นกำลังความสามารถของพี่น้องชาวไทยเราที่ได้บริจาคแสดงน้ำใจออกมาชาวโลกทั้งหลายทั้งภายในเมืองไทยและเมืองนอก จะได้รู้เห็นทั่วหน้ากันหมดจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราที่แสดงขึ้นในครั้งนี้ <c oughs> วันนี้ท่านตัางหลายก็ได้นำน้ำใจที่ออกมาแสดงเป็นด้านวัตถุเช่นปัจจัยจำนวนห้าล้านเป็นต้นนี่นำมาบริจาค <c oughs> แลวต้องขออภัยการเทศ หลงหน้าหลงหลังพกวนไปมาตรงไหนขาดก็กรุณาทราบว่านี่คือความจํามาตัดไปแล้วแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาตั้งใหม่ขึ้นมาเทศไม่เป็นบทเป็นบาตไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะความจําเหลวไหลมากเวลานึจงจนข อ, อาภัยไว้ลงหน้าด้วยวันนี้มีทั้งพระเจ้ากระสง มีทั้งประชาชนกะลาวา่าได้พร้อมใจมาบริจาคทานและเคารพคูวาจารย์เช่นหลวงตาบัวที่ชาวพุทธเราทั่วประเทศไทยทราบทั่วหน้ากันและยอมรับมากน้อยตามกำลังจิตใจของตนว่าได้มาพร้อมเพียงกันบันนี้ <c oughs> หลวงตา ม, มีความินดีและซาบซึ้งกับน้ำใจและ ความเคาเรพเพิ่มใสของพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมาก <c oughs> แล้วในโอกาสนี้ก็จะได้แสดงอัดธรรมให้เป็นที่ระลึกแก่ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระเราหนึ่งฝ่ายคารวะหนึ่งต่างท่านต่างก็มีความมุ่งหวังต่ออัดต่อธรรมเพื่อความดีงามแก่ตนเอง งขอได้นำอัดนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติอัดธรรมที่กล่าวถึงนี้รวมลงมาแล้วอยู่ที่จิตใจของเราทุกท่านทุกท่านที่จะน้อมรับธรรมเหล่านั้นมาบํารุงส่งเสริมจิตใจของตนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงไว้เรียบร้อยแล้วโดยความเป็นศาสดาของเราทั้งหลายแทนพระองค์เวลาปรินิพานไปแล้วคือพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งทั้งสองนี้คือองค์ศาสดาแม่พระองค์จะปรินิพานไปแล้วตามโลกสมมุติ โดยเรือนร่างที่มีอนิจจังทุกขังอนิจัอิพตตาเต็มตัวแต่อัจธรรมที่ทรงสแสดงไว้แล้วด้วยความแน่นอนและแม่นยําตามสวาขาิตรธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นได้มอบไว้แล้วกับพวกเราทั้งหลายแตเพราะอย่างยิ่งคือพระเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตออกปฏิบัติ ปรากฏตัวเป็นแนวหน้าในการรบราฆ่าฟันกับความชั่วช้าหลามกที่เกิดภายในกายวาจาใจของตนให้สงบงบเงียบและสูญหายลงไปเป็นลำดับลาดับนำความสงบเย็นใจขึ้นมาสู่จิตใจของตนโดยทางสังรวมระหวัง ตามรมตามวินัยที่องค์ศาสดาแสดงไม่แล้วทมและวินัยนั้นแหละอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายผู้รักผู้เคารพครับไหวบูชาพระพุทธเจ้าเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปด้วยความสังรวมระวังมีสติะระมัดระวังรักษาพระวินัย ไม่ว่าข้อใดๆก็ตามนั่นคือศาสตราองค์เอกโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ข้อใหญ่ลงไปถึงข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอนุบ ญ, ญัย์ล้วนแล้วตั้งแต่องค์ศาดาที่สมบูรณ์แบบทุกทุกข้อทุ ก, ท, กทุกกระทงที่แสดงไว้แล้วเพื่อเป็นมรดกของเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์าคต นี่คือพระวินัยให้พากันสํารวมระวังพระวินัยให้ดีเรามีพระวินัยดีสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันอุปสมบทมาเรียกว่ามีศีลคือพระวินัยสํงรวมลงมาแล้วเป็นศีลสมบูรณ์แบบในองค์ของพระแต่และองค์ละองค์จงพากันระมัดระวังรักษา พระวาจาของพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนี่แหละคือองค์แทนของศ า, าสดาเมื่อเรามีฮิริโอตปะระมัดระวังรักษาพระวินัยของเราอย่างเข้มงวดขวดขันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เท่ากับเราเฝ้าพระพุทธไตรเจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราที่เต็มไปด้วยความสํารวมระหว่าง นี่เรียกว่าพระวินัยแยกออกแล้วพระวินัยเป็นรั้วกั้นอันตรายที่จะเข้ามาทำลายผู้รักษาแต่ปฏิบัติไม่ดีเช่นล่วงเกินทำวินัยหรือมีความทั้งเผลอด้วยความประมาทเหล่านี้เป็นที่ล่อไหลเข้ามาแห่งโทษแห่งกรรม ทานเรียกว่าล่วงเกินพระวิเนยก็คือล่วงเกินศาสดาทําลายพวิเนยก็คือทําลายองค์ศาสดาเมื่อเราสํารวมแล้วหวังรักษาพระวิเนยเทอดทูลพระวิเนยอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับเราเทอดทูลองค์ศาสดาเต็มหัวใจเราตลอดเวลานี้เรียกว่าพระวิเนยเป็น รัวกั้นสองฝากทางท่ามกลางคือทางเดินของธรรมเพื่อมรักผลนิพานล้วนไม่เป็นอย่างอื่นพระวิัยคือรัวกั้นห้ามไม่ให้เล็ดลอดออกจากรัวกั้นนี่ออกไปสู่กากสู่น้ำสู่ฟืนสู่ไฟสู่บาสู่กรรมสู่อาบัติโทษต่างๆตั้งแต่น้อยถึงใหญ่สุด ทำคอของพระให้กุดด้วนขาดกระบ้านลงไปได้เหล่านี้ร้วนแล้วตั้งแต่โทษมหาโทษให้พากันระวังด้วยดีอันนี้แล้วชื่ว่าเราปลอดภัยก้าวเดินตามหลักวิชาธรรมที่นี่พระวินัยล้วกเป็นล้วกกันพากางไปงถ้าพูดถึงเรื่องแขนก็คือพระหัสซ้ายพระหัตขวา พระหัตถ์ซ้ายเหมือนพระวีไนพระหัตถ์ขวานั่นก็เหมือนกับธรรมครับแล้วให้ก้าวเดินตามหลักธรรมนี้ในท่ามกลางแห่งความมีสติสังรวมระหว่างดำเนินอัตธรรมก้าวเดินไปในท่ามกลางแห่งพระวนัยที่เป็นรั้ว ก, กันไว้ทั้งสองฝ้าทางนี้ อย่างราบรื่นดีงามด้วยความมีสติ <c oughs> สติเป็นของสำคัญมากที่แะทั้นเรียกว่าสติธรรมคือาศาสตราแต่ละพระองค์เราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางก้าวเดินของธรรมเพื่อความสงบล่มเย็นแก่จิตใจของเรา ใจเมื่อมีธรรมเป็นสติเ็นเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาด้วยสติและปัญญาหน้นด้วยความภาคเาีาเยรนให้สืบติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำแบับแล้วใจซึ่งมีภัยอยู่ภายในตัวซ่องสมตัวอยู่จากัดตั้งกันมาเท่าไหร่จะมากน้อยเพียงไหรก็ทนอัชธรรมที่เป็น ข่าสื่อต่อที่เละทั้งหลายเหล่านี้ไปไม่ได้จะต้องค่อยหักค่อยพังลงเปน็นล ำ, ำดับลำดับด้วยอานาจแห่งสติธรรมกำจัดปัญญาธรรมทำลายวิริยะธรรมนูนเข้าเพื่อทำลายขันติธรรมมีความอดความทนต่อตั้งต่อสิ่งที่เลวไล่ทั้งหลายที่เรียกว่ากิเลสนี้เรียกว่าธรรมก้าวเดินอยู่ในหัวใจเราซึ่งเท่ากับ เราเข้าเฝ้าพระพุท ธ, ทธเจ้าตลอดเวลายกพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นวินายขึ้นที่หัวใจแล้วเรามีกำลังใจที่จะฟาาฟันหันแหลกกับความชั่วช้าละโมกทั้งหลายภายในปีกใจแม้ใจจะยังไม่เคยได้รับความสงบล่มเย็นเมื่อน้อมนำาศาสดาเข้ามาสู่ปีตใจด้วยความสังวชละ ว, วาง ในพระวินัยมีนี้ผีอุพปะปะเต็มหัวใจก็มีธรรมคือความภาคเพียรในคุณธรรมทั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่การภาวนา <c oughs> ใครจะมีพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นเครื่องบอดิกรรมและทรรมบุรได้เป็นอารมณ์ของใจก็ตามนี่ชื่อว่าก้าวเดินตามธรรมอยู่ตลอดเท่ากับเรา ตามสเสด็จพระพุทธทเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่าได้พากันไปคิด ต, ต่างๆนา น, นานซึ่งเป็นเรื่องงมงายของเจดียที่พาสัตว์โลกให้ล่มจมมามากแสนมากนานแสนนานแล้วว่าพระพุทธเจ้าปราิพาน์แล้วไม่มีที่พึ่งพระพุทธเจ้าปราิพาน์แล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนคาที่พึ่งบุญบาป บางคั้งหลายค่อยล่อยล่อลงทําบุญไม่ได้บุญมากทําบาปไม่ไม่ค่อยเป็นบาปต่อไปก็ทําบาปไม่เป็นบาปทําบุญไม่เป็นบุญมากผลนิพพานไม่มีแล้วนี้มีจากคาเสี้ยมสอนของเทเลศซึ่งเป็นตัวมหาภัยติดแนบอยู่กับธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหวบูชาอยู่ทุกเวลาเวลานั่นแล้ว ให้กาจัดปัดมันออกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สวดขาถาที่พระพุทธเจ้าจัดไว้แล้วด้วยความชอบธรรมเป็นความเสี่ยมสอนของทเทลสที่จะมาทาลายคุณงามความดีภายในจิตใจของไหลให้ขาดไปหายไปจนกระทั่งจิตใจมีแต่ความจีตจางบ้างเปล่าจากความดีซังหลายและมีความดูดดื่มไปตามทเทลิด เมื่อว่าบาปไม่มีก็สนุกทําบาปไม่สะทกสะทานกลัวบาปกลัวกรรมและว่าบุญไม่มียิ่งไม่สนใจอยากทําบุญเลยเพราะแต่ก่อนมันก็ไม่อยากทําอยู่แล้วก <c oughs> ็ยิ่งมีทำอันของจิเลสมาเสี้ยมสอนเขาว่าทําบุญไม่ได้บุญเลยปากทันทีไม่ทําบุญและเพราะทําแล้วก็ไม่ได้บุญ ชวนบาปจะทำหรือไม่ทำก็ตามกิเลสมันลากไปแล้วลากไปแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมตื่นนอนขึ้นมาแต่เช้ายันคำ่ำสร้างแต่บาปหาแต่กรรมขนแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจตุนตลอดเวลาวันนี้ก็สร้างวันหน้าวันหน้าก็สร้างสร้างแต่บาปแต่กรรมเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้า ก็สร้างแต่บาปแต่กรรมเพราะกิเลสหลอกว่า ท, าท้าไรก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมยิ่งสร้างมากเท่าไรยิ่งจะขึ้นเลยนี่พานเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอีกด้วยซ้ำแล้วก็ยิ่งพอใจสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วสร้างมาตั้งแต่วันรู้จักเรียงสาภาวะจนกระทั่งถึงวันตายเราสร้างผลประโยชน์อย่างอื่นจะได้มากมายเพียงไร ที่สร้างความชิพหายแก่ตนตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายจะได้ความชิพหายจนอะไรไม่มีเท่าฐานติดเนื้อติดตัวเป็นผุยผงไปหมดคนทั้งคนกลายเป็นคนผิวผงผิวผงไปหมดหาค่าหาราคาไม่ได้ผีผงข้อกิเลสเผาหัวใจใหายแหลกเหลวไม่มีค่ามีราคาตายแล้วก็ให้ไฟนรกเผาลงไปอีกกี่กัรกี่กันกว่านจะได้มีพ้นจากทุกข์ขึ้นมา มเมื่อรุอพ้พ้นจากทุกขจากกิเลสขึ้นมากิเลสก็หลอกย้ำเข้าไปอีกให้หลงให้ลืมในความทุกข์ทรมานของตนจากการตกนรกหมกไหมกี่กักเกี่ยกันแล้วก็พอใจไม่จืดาจในการสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปแล้วก็ขนทุกข์เข้ามาภายในหัวใจลงอีกลงอีกนี่คือกิเลสหลอกัรกลกหลอกมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันแล้ว <c oughs> มันเป็นสองฝั่ง หัวใจของเราทั้งหลายหรือหัวใจของสัตว์โลกเท่ากับแม่น้ําลําคลอง <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งนั่นเป็นฝั่งของกิเลสคือมหาภัยต่อธรรมอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งแห่งธรรมที่ชะล้างหรือปรปาบาลพิเลสให้สิ้นซากไปจากหัวใจใจนั่นเป็นแม่น้ำลาคลองเมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องซากฟอกสิ่งที่ ทำให้ขุนมัวมั่วหมองอะไรเหล่านี้มืดตื้นให้จางลงไปจางลงไปจิตใจก็สง่างามขึ้นมาขึ้นมานี่แหละใจอยู่ศูนย์กลางที่เละเกิดขึ้นจากใจแต่เป็นเครื่องทําลายจิตใจถ้าเทียบทางโลกเขาเรียกเขาก็เรียกว่าสนิมเกิดจากเหล็กแล้วก็กัดเหล็กให้สึกกระลอให้หมดสิ้นเปลืองไปจนกระทั่งเล็ะหมด ถูกสนิมกัดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือสนิมของเหล็กเป็นภัยของเหล็กทาเหล็กให้จีบหายสูงไปได้ผิดกันอยู่ที่ว่าทำาาาที่เข้ามากิ เ, เลสเข้ามากัดมาทำลายจิตใจนี้ไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้จิบหายไปได้เหมือนสนิม ทำลายเหล็กให้เหล็กทิ้งายไปได้เป็นแต่ยอมรับว่าทุกขธรมานจากอำนาจของีิเลสบีบบี้สีไฟได้รับความทุกความทรมานในสถานที่ต่างๆ ต, ตามแต่บาปแต่กรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยเช่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดีฉานนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นกับเป็นเปรต ประเภทที่หนักลงไปหนักไปจนกระทั่งถึงเป็นสัตว์นโกเหล่านี้เป็นเรื่องของบาปของกรรมมันเผาคลานหัวใจแต่ใจนั้นไม่ยอมชีพหายถึงจะรับความทุกข์จากบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ตนสร้างมาด้วยความดื้อด้านหามธรรมก็ตามแต่ยอมรับเพียงความทุกข์ความทรมาน แม้จะไปตกนรกกีกับกีกันมหันตะทุกเต็มอยู่ในแดนนรกหมดก็ตามแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจ่วงในสำหรับสนิมกัดเหล็กนั้นเหล็กชิบหายได้แต่ที่เหล็กกัดใจนี้ไม่มีทางชิบหายมีเพียงได้รับความทุกขรั้ง ทรมารมากน้อยจากกรรมของตนที่สร้างมานั่นแหละมันเป็นสนิมกัดหัวใจเราเพอพ้นจากนั้นแล้วก็ผ่านขึ้นมาเพราะมีสติสตังมีบุญมีกุศลแทรกอยู่บ้างก็สร้างบุญสร้างกุศลจนเจริญเติบเตขึ้นมา แล้วเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจนี้ก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเป็นจิตที่ผ่องใสมองเห็นบุญเห็นบาปจากทำคุณงามความดีและล่า บ, บาปบาเพ็ญบุญขยะขยังต่อความชั่วชาะะ้าหลามกมีความกระยินยิ้มย่อมต่อความดีทั้งหลายแล้วพร้อมกับการสร้างความดีนี้เป็นลำดับลำดา จิตใจเมื่อได้รับการส่งเสริมจากอัตตาธรรมแล้วย่อมมีความสง่างามและผ่องใสสงบร่มเย็นขึ้นไปเป็นลาดับเราสร้างไปสร้างไปบุญกุศลย่อมมีมากพอสร้างทุกวี่ทุกวันทุกวัยร่เวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยบุญกุศลก็มีมากหนุนจิตใจของเราให้สูงเด่นขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงเมืองขอเมื่อ ทำระ จ, จิตใจด้วยการสร้างความดีเป็นลาดับลำดาแล้วย่อมดุดพ้นจากทุกไปโดยลาดับแล้วจนกระทั่งถึงมัรผลนิพพานด้วยความตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมอย่างสูงสุดถึงมีมุตตนิพพานเมื่อถึงมีมุตตนิพพานแล้วจิตดวงนั้นเรียกว่าเป็นธรรมธาตุไม่มีคาว่าสูญหายไปไหนเพราะกิเลสตัวใดไปกัดไปทาลายไปเผาไป จุดให้ไหมให้สิบหายไม่มีเลยจิดตดวงนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ในนรกก็ไม่สิบหายพ้นจากนรกมาแล้วความดีบำรุงส่งเสริมอุดหนุณขึ้นไปโดยลาดับจนกระทั่งถึงความดุพ้นจากทุถึงแดนแห่งธรรมชาตก็ไม่สิบหายแดนแห่งธรรมชาติคือจิตที่เป็นธรรมชาตินี่แหละ เป็นเกจที่จินจิตที่เลิศเลอสุดยอดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดจะเสริจะเลิศเลอยิ่งกว่าจิตที่ถึงแดนแห่งธรรมธาตุคือจิตตบิมุตตุพ้นจากสิ่งจองจำทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ไปโดยสมบูรณ์แล้วนี่เรียกว่าไม่สูญ <c oughs> จิตดวงนี้ไม่มีสูญ แต่ต้องถูกกิเลส ต, ตกต่อยอยู่ตลอดเวลาให้เชื่อมันตามนั้นตามนี้ไปเรื่อยทำบาปไม่เป็นบาปทำบุญไม่เป็นบุญเชื่อหนักกว่า น, นั้นมันก็บอกว่าตายแล้วสูญคือเราเนี่ยสัตว์โลกแต่ละลายละลายนีย่คือเป็นนักเกิดนักตายจนกระทั่งนับพบนับาตาของตัวเองไม่ได้ถึงเช่นนั้นก็ถูกกิเลสมันปิดบังหุ่มห่อไว้หมดว่าว่าตายแล้วสูญ คือนักตายนักเกิดนั่นแหละไม่มีคําว่าสูนแต่ที่เดยกมันจะมาเสี้ยมสอนให้มืดมิดปิดตาเข้าไปว่าลรตายแล้วศูนย์คนที่เชื่อตามที่เด็กว่าตายแล้วศูนนี้จะเป็นคนที่หมดค่าหมดราคายังเหลือแต่ลมหายใจสร้างแต่บาปพาแต่กรรมทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ัเด็กจนกระทั่งเติบโตถึงเป็นผู้ใหญ่ ถึงกระทั่งเข้าแต่ตลาตายไปก็ตายไปด้วยการหาักบาป ก, กรรมเต็มหัวใจตกนรกหมกไหม้ไปด้วยการหลงกลของกิเหน่ที่ว่าตายแล้วสูญเวลาตายแล้วมันไม่สูญตกนรกก็คือเราเองยิเหน่มันไม่ไปตกมันหลอกเราต่างหากเราหลงกลของยิเหนเราก็ตกนรกหมกไหม้นี่พูดถึงเรื่องตายแล้วสูญ คือกิเลสก็ดีทำก็ดีท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจในที่อื่นใดเพราะโลกอันนี้กว้างขวางพอที่จะหลอกศัตรูโลกให้หลงกลมันได้เมื่อโลกมีกว้างฟางอะไรมีถ้มไปว่าตรงไหนอยู่จุดใดยอมย่อมจะเชื่อได้เช่นว่ากิเลสอาจจะอยู่ในมุมโลกมุมนั้นมุมโลกมุมนี้อยู่ในน้ำมหาสมุทรทะเลอยู่บนบกหรืออยู่ใต้ดินเหนือดินอาจ จะเป็นที่หลบซ่อนของกิเลสว่ามีอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นก็ได้นะเพราะกิเลสนี่แหลมคมมากหลอกลวงจากได้ทุกแง่ทุกมุมทางทากิเลสนี้ไม่ได้อยู่ในที่ดังกล่าวนี้เลยกิเลสนั้นอยู่ที่ใจแห่งเดียวธรรมก็เหมือนกันอาจจะไปอยู่ในซอกนั้นมุมนี้อยู่ในคัำพีใบล้าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระเจ้าพระสงค์อยู่กับวัดกับว่า ดูในสถานที่ต่างๆไปหมดตัวเองเป็นโมคะหาอัฏฐธรรมหั ก, กความดีงามเข้ามาสถิตอยู่ที่มีไม่ได้ว่างเปล่าไปหมดจากคว า, าาาททาความดีงามทั้งหลายเพราะทำทั้งหลายความดีงามทั้งหลายไปเที่ยวหลกซ่อนอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ไปหมดเสียนี่คือความเห็นผิดของกิเลสหลอกสัตว์โลกให้เชื่อตามบาตรตามธรรมว่าบาคืดีบุญก็ดี ตั้งแต่น้อยจนถึงมากไม่ว่าบาปว่าบุญเกิดขึ้นที่ใจอยู่ที่ใจมาประวที่ใจเพราะผู้ทำบาตทำที่ใจเสาะแสวงหาบาทเสาะแสวงหาที่ใจที่เดือดผู้พ่อพลาให้เสาะแสวงหาบาตพากกรรมนั้นมันเกิดมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศมหาสมุทรที่ไหนมันอยู่ที่ใจ พิเลศเกิดที่เกิดที่ใจสแสดงฤทธิ์ออกมาตามอํานาจของตนจากหัวใจของสาตร์โลกให้เป็นปืนเป็นไปต่อหัวใจของผู้นั้นนั้นเองเนี่ยเมื่อหลงกลไปตามพิเลศนี่แล้วก็สร้างแต่ความร่วมจมให้ตัวเองความปรารถนานี่อยากไปทุกสถานที่ที่ว่ามีความเลิเจอมมีความดีความดีมีความสุขความเจริญดีไม่ดีถ้าว่ามีความสุขเลิศยิ่งกว่านี่ผ่าน สัตว์โลกยังอยากจะเลยพระนิพพานข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปอยู่ก็ได้แต่นี้ไม่มีใครบอกว่าความสุขที่เลิกเลยยิ่งกว่าพระนิพพานไม่มีเพราะงั้นกิเลสมันจึงไม่หลอกว่าให้เลยพระนิพพานไปแม้แต่พระนิพพานมันก็ปิดไว้บอกว่าไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีแล้วมันจะเบิกกว้างเอาความสุขแทง ขวหวานพม่าโลกนิพผานขึ้นไปอยู่ฝา่าพันิพานี้หน้าอย่างไรเพราะพิเรนต์มันไม่มีความสามารถมันอยู่ใต้แหล่งแห่งโลกธาตุตัวพระนิพานอยู่เหนือโลกธาตุนี้ไปหมดแล้วมันจึงไม่กล้าที่จะตลอกลวงสัตว์โลกได้พระพุทธเจ้าจึงสอนด้วยความแม่นยาทุกอย่างเรียกว่าสวดคาถธรรมจัดไม่ชอบแล้วมีพระองค์สอนว่าลงอยู่ที่จ่ายทั้งหมด ทิเล็ก็ดีทำก็ดีอยู่ที่ใจทิเล็เป็นสาเหตุให้ทำบาปทำกรรมก็ทำอยู่ที่ใจของเราที่กายของเราที่วาจาของเราซึ่งได้รับคำบัญชามาจากใจถ้าให้มาพูดทางวาจาให้กระทำทางกายในทางที่ผิดชั่วช้าละโมบต่างงผลจึงเกิดขึ้นไปแล้วไหลเข้าสู่ใจไหลเข้าสู่ใจ ห้องน้ำมหาสมุทรฝนตกมาจากเบืองฟ้าลงในมหาสมุทรทั้งหมดแต่บาปกรรมทั้งหลายที่ผูใ้ใดสร้างไหลเข้ามาสู่ใจของคุนี้ทั้งหมดไม่ไปอยู่ในแม่น้ํามหาสมุทรเหมือนน้ําทั้งหลายที่ตกมาสู่มหาสมุทร mm. เรื่องบาปเรื่องกรรมนี้ไหลเข้ามาสู่ผู้ทําใครเป็นคนทําบาปกรรมกรรมมากน้อยอเท่ากับหาหาฝนมาอะไรกันมาเผาตัวเองอยู่ในนั้น อาผู้ที่สร้างคุณงามความดีชิดถึงเรื่องความดีความดีเป็นอาจเป็นธรรมอยากทําบุญให้ทานการกุศลมีจิตใจกว้างขวางมีความเฉลียเวเผื่อแผร่เมตตาสัตว์โลกทั่วไปนี่เรียกว่าจิตที่เป็นธรมรมแสดงออกมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลก็สร้างขึ้นที่มโนใจของผู้ของผู้นั้นผู้นั้นแล้วก็ส่งเสริมจิตใจของผู้นี้ให้ <c oughs> ในรับสเสวยคุณงามความดีให้มีความสงบเย็ยนใจไปในพบใดชาติใดเกิดในสถานที่ใดบุญกรรมเป็นผู้มีสิทธิ์เยี่ํานาจ <c oughs> ที่จะยัางฉัดทั้งหลายให้ไปเกิดในพบนั้นๆได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดจะมีอานาจน <c oughs> อกจากกรรมของตัวเองเราจรึงขอให้พากันเชื่อกรรม <c oughs> เชื่อกรรมคือการกระทําดีกระทาชั่วมีเป็นของสําคัญ <c oughs> ท่านแสดงไว้ในวัดตะวันสามว่ากิเลสสวัสดกรรมวัดรวิปากวัดกิเลสสวัสดนี่มันเกิดอยู่และอยู่ที่ใจของสัตว์มันผลักมันดันมันบีบบีบบังคับจิตใจให้สร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วก็เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมานี่อันหนึ่งเรียกกิเลสสวัสดนีนี้ เ, นเมื่อสร้างบาป สร้างกรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นกรรมวัดเป็นผลของกรรมกรรมชั่วท้าลาโมกต่างๆแล้วก็มาเผาตัวให้เรานเ่องวิปากวัดเนี่ยกิเลสสวัสดกรรมวัดวิปากวัดนี่คือกิเลสบังคับให้ทำกรรมกรรมนั้นทาลงไปเป็นกรรมดีกรรมชั่วแล้วเป็นผลดีชั่วสุขทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของสัตว์นี่มันอยู่ที่ใจนี่นะ ไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้ามาหาสมุทรที่ไหนอ่เนี่ยนิลเล่นอยู่ที่ใจเกิดที่ใจอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่ใจบางครับสัตว์ทั้งหลายให้ทำชั่วช้าหลัามกได้ที่ใจของสัตว์นั่นแหละคราเวลาทาลงไปแล้วผลบิบากบิบากกระวัตผลความชั่วนั้นก็ไหลเข้ามาสู่ใจของผู้ทำนั่นแหละ แล้วก็วกวนกันไปกันมาเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามากกี่กับกี่การของสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งไม่มีประมาณเลยนี่เรียกว่ากรรมของสัตเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่อื่นท้องฟ้ามหาสมุทรกว้างแสนกว้างไม่เป็นที่เกิดที่อยู่ของกิเลสไม่เป็นที่สร้างของกิเลสที่สร้างโรงงานใหญ่โตของกิเลสคือหัวใจอืมหัวใจนี่เป็นโรงงานใหญ่โตที่จะผลักดันจิตใจของสัตว์ ให้ไปทําความชั่วช้าล้มกต่างๆเอาในขนาดเดียวกันทําก็เกิดที่ใจ <c oughs> ไม่ได้เกิดที่ท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนเหมือนกันเกิดที่ใจอารมณ์ของทำยงยากเจ้าของอยากทํำควา ม, วามดีงามทั้งหลายนี่เรียกว่าอารมณ์ของทำมีมีอารมณ์ต่างกัน <c oughs> อารมณ์ของนี่จะให้พาทําความชั่วช้าล้มกลหลงไหลฝ่ายฝันโดยไม่มีประมาณแต่ทาไม่หยุดไม่ถอยเพราะหลงไม่หยุดไม่ถอย แล้วก็รับความล่มจมไปไม่หยุดไม่ถอยกีกับกีกันไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเงินต้นเงินปลาคือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่เป็นเรื่องของกิเลสส่วนธรรมนั่นก็เกิดที่ใจอยากทาบุญให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญเมตตาภาวนา <c oughs> มีความเฉลี่ยเผื่อแผ่มีจิตใจอันกว้างขวา ง, งเบิกบานไปที่ไหนไม่ตีบตามอั้นตู่มีความเสียสละเห็นสัตว์สงสารสัตว์เห็นคนที่ยุบ ยากจนเฉงใจสงสารเฉลี่ยเบื่อแพผ่ตามเกิดตามมีไปอย่างนี้เรียกว่าธรรมธรรมเกิดขึ้นที่ใจของผู้นั้นผู้นั้นเสียสละลงไปเรียกว่าบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรม น, นี่ต่างกันอย่างนี้ที่เวลาบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าก็บธรรมนี่ก็ส่งผู้บำเพ็ญให้ดีขึ้นหนาขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายถึงแดง สวรรค์นิพานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอาํานาจแห่งธรรมที่เราสร้างขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยกันกับกิเลสนั่นแหละกิเลสนันก็สร้างไฟในโกขึ้นที่หัวใจของเราเวลาไปก็ใจดวงนี้ละไปลงในโลกเพราะกิเลสพาสร้างให้พากันจำเอาไว้ <c oughs> นี่วันนี้พระรพรลูกพันหลานมามามาญากรรบมาว่า ว่าจางและมาบําเพ็ญกองการกุศลก็เป็นโอกาสอันดี <c oughs> ที่จะได้แนะนําสั่งสอนให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รกักธรรมรักวินยัยอย่ารักสิ่งใดในสามเดือนโลกฐ า, า น, นี้ยิ่งกว่าธรรมกว่าวินยัยอันเป็นองค์แทนของศาสด า, ศาและจะเป็นองค์ผู้ลื้อฟื้นเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะ มายกมาลื้อฟื้นหรือมาฉุดมาลากเราให้หยุดพ้นจากทุกข์นี่ไปไดน้นอกจากศาสดราอเอกประธานบันไดหรือคำสั่งสอนไว้เรียกว่าสวาคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีพลาดคือศาสดาองค์เอกนี่แหละสอนโลกให้เรายึดเอาสวาคาตธรรมพระวินัยก็ตัดไว้ชอบแล้วอยาฝืนฝืนลงไปเป็นบาปเป็นกรรม ตามหน้าแข่งอันนี้มันวิ่งเวียนอะไรนี่เหรอมันวิ่งเวียนฝื <c oughs> ้นลงไปก็เป็นไปตามหน้าแห่งบาปแห่งกรรมนั่นแหละหมุนเป็นไฟเผาเราอันนี้ส่วนธรรมก็เหมือนกันหมุนลงลงไปอาทำอะมันจะร่มนะั่นไม่ได้มันไปยังไงไมะวิงเวียนนะเป็นอะไรไม่รู้วิ่งเวียนหมุนมันหมุพักเขาเออมาพักแล้วก่อน หนอายะ อ, อะไร อ, อะไรพูรนพิษพูนบาศิ์มาโน่อย่างนี้เราเห็นไหมละ่ะหมุนหมุนนี่นี่นล้อมอย่างนี้เลยนะล้มได้ เ, ดเอเอมันเป็นยังไงทราบัเป็นยังไงไม่ทราบโอ้กอลังทรกนะมันทำไมดีเลามลืมตามามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันจะล้มในขณะที่เทรกเนี่เยเนี่ยกำลัง มันย oh! ังเป็นอยู่เดียวเดียวเขานี่เดียวานีะไมไปหานหวาเคร่งอะไรเนี่ยเครงนี่มันเป็นมมเออเดียวก็หามันมีเวียนอะ